ท่านฟังที่รกรบรอบคะรายการสันสนีสนทนาค่ะรายการสันสนีสนทนานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนาคงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นส่วนใหญ่ของรายการก็จะเป็นเรื่องที่พระภิกษุสองรูปนะคะได้มาช่วยกันให้ความรู้และนําพวกเราปฏิบัติกันตามคําสอนของพระศาสดาที่เราเรียกกันว่าพุทธวจนะค่ะผ่านพ้นไปสําหรับในช่วงแรกที่พระมาชาคาวโร เราก็จะมาถึงช่วงที่สองนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคือนำเอาคำของพระพุทธเจ้ามาประกอบกับการตอบคำถามเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านกำลังได้รับความรู้ที่เราเชื่อว่าน่าจะถูกต้องนะคะก็ไปพบกับพระภัยบูรณ์อภิปุณโนจกวีาปาดอนหายโสจกจังหวัดอุดรธานีค่ะนรส ก, การครับท่คะเชิญบอน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีคำถามเตรียมไว้กราบเรียนถามท่านที่นี้วันก่อนนั้นทีนั้นก็ล่อยโปรยไปถึงเรื่องของบทสวดมนต์ที่ว่าหากคนไม่เคยสวดมนต์มาก่อนท่านพิบูลพูดว่าการจะสวดมนต์ก็ต้องสวดมนต์บทที่ถูกต้องตามพุทธวจนะด้วยแล้วท่านก็ได้เมตตาแนะไปคือบทอิติปิโสสวาขาโตสุ ป, ปฏิปันโนง่ายมเนาะสรรเสริญ <No. S 2> <c oughs> พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ เพื่อให้เราได้รู้ว่านะคะว่าพระพุทธเจ้าของเราจะเป็นใครท่านสอนอะไรแล้วก็สาวกของพระพุทธองค์นั้นมีคุณลักษณะที่อะไรได้โปรยไว้ว่าจะมีบทแอดวานซ์ก้าวหน้ามากกว่านี้เพราะบทพวกนี้สวดกันมาตั้งแต่ชั้นประถมเลยะคะ่ะอ๋อมีไหมคะหรือว่าแค่นั้นก็พอแล้วโยมไม่ต้องสวดให้เหนื่อยมีมีคือที่ถ้าจะแอดวานซ์ขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็มีไปเรื่อยๆเป็นทีละขั้นใช่ไหม อันนี้เราไอ้ ท, ที่ที่มันจะใช้งานได้เลยเราก็เห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมีทุกจังหวะในการใช้งานเนี่ยอีกบทหนึ่งคือบทพิจรารณาไอ้พวกปัจใจสีอ่าที่ปัจจเวคณะที่จําได้ไ้มว่าอาชามายาปัจจเวออัปฏิสังขา ย, ยนี่แหล ะ, ะอ่าปฏิสังขา ย, ยที่ว่าพิจารณาแล้วจึงรับประทานนั้นโดยแยบคลายแล้วอ่าเช่นไม่รับประทานเพื่อเล่นเพื่อโมเมาพวกนกี้ก็เราก็คิดได้นะหรือ ว, ว่าการใช้สอยเสนาสนะ นะเพื่อที่แค่จะอาศัยเหลือบยองลมแดดจีวรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษาทั่วๆไปแปลว่าผ้าตังผ้าเราจะเอาผ้ามาคลุมกายอย่างเงี้ยนะก็คือเพื่อแค่ป้องกันความร้อนความหนาวความความอะไรแค่นี้เองป้องกันเหลือบยุงลมแดดไม่ได้เพื่อความสวยงามนะหรือว่ายาก่อนรับประทานยาในคุณท่องบทนี้อะไรก็ได้ใ น, นบทที่พิจารณายาอย่างเงี้ยนะเพื่อรับประทานเพื่อหลัานานงับเบรทนาแค่คนี้เองอันนี้ก็ได้ เราจะไปหาได้ที่ไหนนะครับฟังท่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะสวดยังไงเลยท่านเนี่ยเอาก็บทที่ว่าที่ว่าปฏิสังขารโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิาจำได้ไหมหรือปฏิสังขารโยนิโสปินทบาต่างปฏิเสวามิพวกนี้คือบทที่เราจะพิจารณาเห็นถึงปจัจจัยสี่คือเรื่องเครื่องนึ่งโฮมอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค4อย่างนี้นว่าพิจารณาโดยแยกข่ายแล้วจึงบริโภคแล้วจึงใช้ นถ้าท่านไปบุญข้าในกรณีที่เราไม่รู้บาลีอืมสมมติว่าเรารู้หลักๆแล้วปัจจัยสีเนี่ยรู้กันหมดแล้วว่ามีเครื่องนุ่งห่มอาหารที่ว่าสายยารักษาโรคเราท่องเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วก็จะท่องอย่างไรอ๋อได้ได้อย่างเช่นว่าอาหารอย่างเนี้ยเรากินวันละกี่มื้อละ่ะคุณกินวันละสา ม, มื้อใช่ไหยคุณก็ท่องเลยนะก่อนรับประทานเนี่ยบอกว่าอาหารที่เราบริโภคนี้ไม่ได้บริโภคเพื่อความกำหนัดโมเมาไม่ได้บริโภคเพื่อความสวยงาม ไม่ได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อโมเมลพวกนี้แต่รับประทานเพื่ออะไรเพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าและป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแค่นี้เองออเราระลึกก็ได้ใช่ไหมคะคือเ อ, อใช่ระลึกถึงหรือว่าสวดก็เป็นคาถาก่อนกินข้าวเลยออคนฝรั่งก็จะสวดขอบคุณเจ้าเอออย่างนั้นก็ได้ะะเราก็สวดอันนี้เลยสวดบทพิจารณาอาหารก่อนกินข้าวและก่อนจะนุ่งแต่งตัวใช่ ก็สวรบทว่าเราไม่ได้ห่มผ้านี้เพื่อมัวเมาเพื่อเล่นเพื่อกำหนดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าห่มเนี่ยเพียงเพื่อที่จะระ ง, งับความร้อนความหนาวหลบยุงลมแดดและจากสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันที่อยู่อาศัยที่เราบริโภคนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่ อ, ค, อ, อความเพลิดเพลินสนุกสนานะนะคะ ก็มันก็ทำนองเดียวกันคือหมายถึงว่าเพื่อความจำเป็นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าไม่ให้เพื่อความเพลิดเพลิพนถ้าถ้าจะแปลงง่ายถูกต้องถูกต้องอ๋อทำให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าอความเพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยอควรจะละทิ้งเสียอือค่ะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมบทสวดนั้นเนี่ย จะทำให้เรามีปีติมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงได้จะใส่ชุดดีไซเนอร์ยังไงก็ไม่ต้องไปคิดว่าแต่งให้สวยเพื่อใครแต่งไปอวดใครคิดว่ามันเพื่อเครื่องนุ่งหม่มใช่ถ้าถ้าพิจารณาอ่งนั้นได้ก็จะเป็นการดีมากมเพราะว่าเดี๋ยวฉันจาได้ว่าท่านอาจารย์เคยพูดในกรณีที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าพอมาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติตามธรรมแล้วจะต้องเป็นเยเพิองอะไรทั้อนอง น, นั้นนะคะ ใช่นั้นคือเหมือนกับว่าบางทีมันหลุดโลกไปเลยอ่ะแล้วเราก็ยังเป็นคารวาสอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะหลุดโลกไปเลยงั้นคุณต้องมาบวชล่ะแต่ถ้าคุณยังมีชีวิตคารวาสอยู่คุณก็ต้องคือปลามอยู่ในน้ํามันต้องว่ายหนามบางเป็นคารวาสมันต้องเสพกามบ้างโดยเห็นโทษของเขาอันนี้ต้องสําคัญคือก็เหมือนกับคนที่ต้องอยู่ในสังคมเลยที่เข้าใจว่าบางทีมันมีอ่การนอกเหนือจากงานใช่ไหมคะมันต้องมีสันทนาการกันบ้างออื เพราะว่าสังคมของคนทั่วไปก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์โดยใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือเผู้ชายเขาจะบอกการบริโภคการใช่ไหมค่ะอการมาโพคีผู้บริโภคกามมาเชิญทำสบายอะไรก็หมายถึงว่าใช้หลักเดียวกันนี้ได้ไหมใช่คือต้องเห็นโทษของกามไม่ลุ่มหลงในกามอันนี้คุณจะเสพก็เสพได้คนที่เสพแบบนี้ชื่อว่าเป็นคราบชนเลิศยกนิ้วโป้งให้สองนิ้ว คือแปลว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนมีธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต้องไปหาที่อยู่ต่างหากอ่าได้ได้อยู่ในสังคมก็ได้ในสมัยพุทธกาลก็เป็นราช า, าหากษัตย์เนาะเป็นสนับันเป็นอะไรงี้กันเยอะแยะค่ะเพราะว่าอ่อันนี้เป็นการพูดเพื่อให้เข้าใจคนที่อ่เขาอาจจะพยายามที่จะอ่าอยู่ในธรรมะแล้วท่านก็ยังเห็นเขาโลดแล่นอยู่ในสังคมปกติเดียวกับท่าน เขาอาจจะมีวิธีทําใจท่านเพื่อนที่ครูครัน้นี้ก็เป็นตัวอย่างของบทสวดมนต์ใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะสวดมนต์นอกเหนือจากบทนั้นก็ได้<ม>แต่อย่าลืมความพอดีแห่งธรรมอืมต้องระวังสองจุดนะคือจุดแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองสวดแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมละด้วยอาการแห่งการสวดเท่านั้นยังไม่ใช่นะด้วยอาการแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคนสวดแล้วเข้าใจาาเข้าใจ อ, นนอันนั้นเท่ากับทําสมาธิด้วยถูกต้องถูกต้อง ะะอ่าประการที่สอง เ, ออเรื่องประการแรกตรงนี้บางคนเขามีความคิดอย่างนี้นะเขาไปสวดมนต์อย่างเงี้ยแต่เขาพูดว่าตามไม่ได้ใช่ไหม<ช> <ๆ S 1> เขาก็นั่งกนำมือเฉยๆฟังไปอย่างเงี้ยเหมือนกับนั่งสมาธิปไปด้วยแล้วก็ฟังทําไปด้วยแต่ฟังสิ่งที่เป็นภาษาบาลีเป็นต้นะ น, ะนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันอือค่ะเพราะว่ า, วาพอฟังด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพแล้วก็มีความรู้ในธรรมอยู่ก่อนถูกไหมใช่ใช่ประการถัดมาคือเรื่องของการข้อควรระวังเนี่ย คือสวดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยลืมในการที่จะหลีกเล้นไปปฏิบัตินะแล้วก็เป็นทําให้การเลิกร้างนการหลีกเล้นอย่างนี้ก็ชื่อว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะบ้านนี้อาจจะมีแบบหนังสือสวดมนต์เต็มเลยสวดได้ทุกบทเลยแต่ถ้าเรายังไม่ไปหลีกเล่นไม่ปฏิบัติตามเนี่ยชื่อว่าไม่ได้อยู่ด้วยธรรมไม่เป็นธรรมะวิหารีอะไรเงนินค่ะแล้วก็อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้และท่านก็พิจารณาจัดหา ความเหมาะสมก็แล้วกันนะคะว่าควรจะทำแค่ไหนอย่างไรมีมีประเด็นที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมไหมคะที่จะให้สมบูรณ์สำหรับวันนี้เออก็ถ้าพูดถึงเรื่องสวดมน์นะคือเรื่องสำคัญคือจิตที่จะเป็นสมาธิเราต้องทำให้จิตเป็นสมาธินี่สาคัญมากสวดได้ไปได้ความจำดีไม่ดีก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงเอาลักษณะนี้แหละ ค่ะการสวดมนต์เนี่ยบางคนเขาก็จะมีทํานองนะคะท่านแล้วก็ดูเหมือนก็ว่ายิ่งวันก็ยิ่งมีวิจิตพิสดารเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันถึงกันหมดใช่ไหมคะบางทีก็จะออไปแบบอย่างจากประเทศอื่นๆมาเออก็ที่พุทธวจนะบอกถึงข้อควรระวังตรงนี้ก็คือว่าถ้าสวดด้วยเสียงอันยาวเนี่ยถ้าสําหรับพระนี่ก็จะเป็นอาบัติด้วยนะเพราะว่าตัวเองแม้ตัวเองก็กําหนัดในเสียงนั้น oh. คือถ้าเราสวดด้วยเสียงอันยาวนะก็ไม่ได้ ไม่ดีไม่ควรทำปิดอติด้วยทำให้คนอื่นรุ่มหลงกำหนัดในเสียงนั้นด้วย<ม>คือเหมือนลนักษณะร้องเพลงอย่างเงี้ยน ะ, ะแต่นักร้องบางคนใช้เสียงเอื้อนเสียงยาวอย่างเงี้ยทำให้ ค, คนอื่นหลงอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมพิสูจไม่ควรทำอย่างนั้นค่ะแต่ว่าสมมุตินะคะบางทีเนี่ยเราจํายากแต่ถ้ามีทำนองใส่ไปหน่อย มันจะทําให้เราจําง่ายเข้าอย่างนี้ไม่เป็นไรถูกไหมคะอ่อทํานองตรงนี้ก็ไม่เป็นเสียงอันยาวก็ใช้ได้ค่ะคือบางครั้งดิฉันก็เลยคิดว่าเหมือนกับเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปถามรายละเอียดทุกเรื่องหรือว่าครูบราอาจารย์กนะ็คงจะไม่ว่างให้เราถามได้ทุกเรื่องแล้วไม่ควรกวนท่านในเรื่องที่ไม่ควรกวนเราก็ให้เป็นหลักๆไปเลยได้ไหมคะว่าก็ไปพิจารณาเอาว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินอืมถูกต้องถูกต้อง ไม่เพลิดเพินนะหนึ่งสองจิตต้องเป็นสมาธิาสามคุณต้องรู้ความหมายนั้นด้วยถึงจะถูกค่ะรู้ความหมายแล้วก็จะได้ใคล้ควรถูกต้องถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติกันมากๆถ้าไม่บุญาดีฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอ ไปอ่านบทความบทความหนึ่งเขาก็พูดถึงว่ามักจะมีคนพูดกันอยู่เสมอเสมอว่าพระน่ไม่ควรข้องเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรพูดเรื่องการเมืองอแต่คนคนเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าในการเมืองนะ่มันต้องมีธรรมในเมื่อพระเนี่ยเป็นผู้ศึกษาธรรมะมนะพระเนี่ยจึงควรจะพูดการเมืองอและ ถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะแก้รัฐมนูญให้พระลงคะแนนเลือกตั้งได้อืนนอันนี้ไม่ใช่พระพูดนะคะดิฉ<ๆ>ันกำลังจะพูดถึงว่ามีคารวาสคนหนึ่งดิฉันก็อยากจะมาทราบจากพระเหมือนกันนะคะว่าตามพุทธวจะนะแล้วดูแล้วมันน่าจะเป็นยังไงในในความเห็นของอาตมาที่พูดถึงเคยเคยพูดกับคุณโยมติวไบรมังว่าจริงๆพระเนี่ยไม่ย่งเกี่ยวกับการเมืองนี่ไม่ได้หรอกในความเห็นของเราเนะเพราะว่าอะไรนักการเมืองคุณต้องมีศีลธรรมแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงคนที่ควรจะไปเลือกตั้งอย่างเนี้ย คุณจะไปเลือกตั้งคุณจะเลือกใครเราจะพูดเราจะพูดได้ไหมละ่ะเราก็ต้องพูดได้สิว่าคุณควรจะเลือกคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยก็คงจะไม่ได้คนต้องยุ่งเกี่ยวเพราะว่าไม่ว่าวงการไหนก็ต้องมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านผู้นั้นพูดเนี่ยอันมาเห็นด้วยประเด็นนี้แล้ป ร, <c oughs> ประเด็นที่สองที่กําลังพูดอยู่ก็คือว่าเอาแล้วควรจะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมไอ้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันต้องเกี่ยวอยู่ละโดยเก <c oughs> <ๆ>ี่ยวในนลักกษณไห็ตามตามช่ แล้วก็การไปลงคะแนนเสียงอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลอย่างอื่นอีกหลายประการอันนี้แต่มาก็ไม่มีความเห็นนะว่าควรจะไปลงคะแนนหรือไม่ม <laughs> <laughs> นะคะทีนี้ก็เท่ากับว่าดิฉันจำได้ว่าสองวันก่อนเองนะคะท่านมาเพิ่งอ่านพระสูตรเกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อนุญาตให้พระสงฆ์คือหมายถึงว่าไม่อนุญาตให้พระสงฆ์พูดในเรื่องใดบ้างใช่ท่านไปบูญพอจะ ให้ความรู้เพิ่มอีกสักครั้งได้ไหมคะอ๋อพระเจ้าพูดถึงการที่ไม่อพูดเรื่องกองทัพเรื่องของน่ากลัวเรื่องโจรเรื่องอัมมาเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องหาติเรื่องยานพาณิชเรื่องจังหวัดเมืองหลวงบ้านนอกหญิงชายคนกล้าพวกนี้ไม่ให้พูดเลยค่ะอืมคือมันก็เท่ากับว่าเหมือนทุกเรื่องเลยคุณพูดไม่ได้เลยว่ากันดีไหมก็อันนี้ก็ ให้ความรู้แล้วก็ไปเที่ยวน่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะพูดเนี่ยต้องพูดลักษณะว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นโดยนัย ข, ของอริยสัจสี่นะค่ะอ่าก็พูดว่าอันนี้เป็นเหตุนะอันนี้เป็นผลนะ น, นี้เป็นความดับอันนี้เป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะตามแก้ก็จะพูดได้ค่ะดิฉันก็ไม่ใช่ว่าจะพยายามให้ท่านไปบูรได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับบางคนก็บอกแหมไม่อยากฟังเลยก็อยากฟังท่านพูดแต่เรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะคะไอะ้นี้มนันเป็นประเด็นขึ้นมาดิฉันไปอ่านบทความเจอ ก็ อ, อกไม่ได้ที่จะต้องมากราบเรียนถามท่านอืค่ะท่านไพบูลค่อคงจะวันนี้เท่านี้ก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวคําถามอื่นๆเนี่ยจะเก็บไปถามท่านในวันถัดไปนะคะก็เดี๋ยวจะรับประทานอาหารมื้อเช้ากับหลังจากฟังรายการนี้ก็ลองพิจารณาตามที่ท่านพิบูลได้นําพุทธวนจะนะมาบอกท่านทบทวนสั่งอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าให้พูดว่าอย่างไงนึกอย่างไร เพื่อให้พิจารณาโดยแยกกายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่มัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าและป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการที่เรารับประทานอย่างนี้ก็จะทําให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพียงเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นอะอาจารย์และการทําอย่างนี้เท่ากับว่าเรากำลังปฏิบัติอะไรอยู่ไหคะที่เป็นธรรมโอ้นี่เป็นการที่ทําให้จิตเบื่อหน่ายใครกําหนัดแนะเข้าถึงนิพพานได้เลย สาธุค่ะวันนี้ในมสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทานฝัน่งที่ครบค่ะส่วนเรานะคะก็คงจะต้องบอกว่ารายการเนี้ยเรามุ่งเน้นจริงๆนะคะจะให้รู้ว่าคําของพระศาสดาที่ตรัสในเรื่องต่างๆที่สามารถที่จะมาตอบคําถามที่เราสงสัยได้นั้นเป็นอย่างไรท่านจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหพอเอาคําพระศาสดามาจับแล้วเนี่ยทําให้เราหายสงสัยได้จริงๆ แล้วก็เราเชื่อมั่นนะคะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ย่อมที่จะน่าจะเอาไปประพฤติ ป, ปฏิบัติแล้วก็ไปแก้ไขความเชื่อความคิดเห็นที่ยังคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นผู้ทวจนะกันเสียวันนี้รายการสัมสนาสนทนาดําเนินรายการโดยสัมสนนาณพงเหมือนเดิมนะคะยังมีพุท้ทวจนะเป็นหนังสือที่จะให้พระทั้งหลายนั้นนําเอาไปศึกษากันแจกทาง022690006 ต้องมามาสการขอบพระคุณพระแสงคือกริโสธิพโลเอาไว้ด้วยนะคะที่ท่านก็เมตตาให้หนังสือมาต่อนเนื่องเลยค่ะ p e t e m a c o m 1 0 6นะคะท่านสามารถส่งคำถามไปถามท่านเพริบุญได้เราจะกลับมาพบท่านในวันพรุ่งนี้ตีห้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ